เป็นไงสบายดีนะสบายใจหรือสบายกายมีสองอย่างมีสบายแบบสบายกายกับสบายใจหรือไม่สบายทั้งสองอย่างร่างกายก็ไม่สบายใจก็ไม่สบายงานของร่างกายนี่มันเราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ เดี๋ยวมันก็สบายเดี๋ยวมันก็ไม่สบายมันเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอันนี้เราก็กต้องคล้ายๆว่าดูแลมันไปตามตามอาการเราไปสั่งมันว่าห้ามไม่ให้ไม่สบายไม่ได้ห้ามเจ็บ ถ้ามันไม่ได้มันก็มีเหตุการณ์โดยเหตุผลเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแต่มันก็มีเหตุปัจจัยที่ทําให้มันหายได้เช่นไม่สบายเราก็ไปหาหมอหาอยู่ค้า ย, ยาถ้ามียารักษาได้มันก็หายได้ถ้าไม่มียา รักษาไม่ได้มันก็เป็นต่อไปหรือตายไปอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามเหมือนการบวดพระพุทธเจ้าก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพระอระหันตสาวกกูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่มีใครไปห้ามมันได้สั่งมันได้ท่นถึงบอกว่าร่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้แต่ใจนี้ไม่เราร่วงพ้นความเจ็บของใจได้ทำให้ใจไม่เจ็บได้ทำให้ใจสบายได้ทำให้ใจไม่ทุกข์ได้ ไม่ให้ผลิตความทุกข์ขึ้นมาตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรากำลังผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมาด้วยตัวของเราเองความไม่สบายใจต่างๆของเรานี้เกิดจากเราเองไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์อื่นๆเกิดจากใจของเราผลิตขึ้นมาเอง เราไม่ไม่ไม่มีใครรู้ว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากตัวเราเองต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั่รู้พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงรู้ว่าความไม่สบาย ใ, ใจของพวกเรานี้เกิดจากตัวเราเองสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาด้วยความอยากต่างๆพออยากอะไรปนันบใจ ny, ยังไม่สบายขึ้นมาอยากได้นูน่นอยากได้นี่ ใจมันก็ไม่สบายแล้วหรื อ, อยากให้สิ่งที่ได้มาแล้วไม่ไม่จากไปก็จะรู้สึกไม่สบายขึ้นมารือเวลาสิ่งที่จากไปเราก็ไม่สบายเพราะเราไม่อยากให้เขาจากไปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาจากไปไม่ให้เขาจากไปเวลาเขาจากไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไร คนที่เราไม่รู้จักเวลาเขาจากไปนี่เรารู้สึกอะไรหมว่าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่หรือให้เขาไปเขาจะไปก็เรื่องของเขาเขาจะอยู่ก็เรื่องของเขาเขาอยู่เราก็สบายใจเขาไม่อยู่เราก็สบายใจแต่คนที่เราไม่อยากให้อยู่เวลาเขาอยู่เราก็ไม่สบายใจใช่ไหมถ้ามีคนไม่ดีอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราจะสบายใจไหม เราก็อยากให้เขาไปใช่แต่ถ้าเขาไม่ไปเราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราเฉยๆเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเราไม่มีความอยากให้เขาไปเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรแล้วก็ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเราอยากให้เขาอยู่แล้ว เ, เกิดเขาไปแล้วก็เดือดร้อนอีก เสียใจนั้นความไม่สบายใจของเรานี้เราแก้ได้แก้ที่ความอยากของเราหยุดความอยากต่างๆของเราอยากไปอยากกับอะไรแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลาเราอยากกับอะไรแล้วเราก็จะทุกข์กับมัน ท, ทันทีคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ทุกข์เลยเพราะเราไม่มีความอยากอะไรกับเขาเลย เขาจะเป็นเขาจะตายเขาจะดีเขาจะชั่วนี่เราไม่รู้สึกเดือดไม่มีความอยากไปยุ่งกับเขาเลยแต่คนที่ใกล้ตัวเรานี่มันเราอยากนะอยากให้เขาดีพอเขาไม่ดีเราก็ไม่สบายใจนะเรา อ, อยากให้เขาดีก็ อ, อยากให้เขาร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเขาเป็นอะไรไปเราก็ไม่สบายใจ แล้วยิ่งถ้ามาถึงร่างกายของเรายิ่งยิ่งยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะร่างกายเรานี่เรารักเราหวงมากที่สุดเรามีความอยากมากที่สุดกับร่างกายของเรากับร่างกายของคนอื่นเรายังพอทาใจได้แต่ร่างกายของเรานี่เราทาใจยากตอนเราไม่เคยมาฝึกทำใจกัน เรามีแต่อยากให้ร่างกายเราทําอะไรมิเป็นอะไรตามความอยากของเราพอเราอ า, ายร่างกายให้ความสุขกับเราอาศัยร่างกายทําหน้าที่ต่างๆหาความสุขให้กับเราหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราจึงรักและหวงร่างกายนี้มาก อยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอวันไหนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ไม่สบายใจยิงถ้าลคเป็นโรคที่มันอันตรายมากที่อาจจะตายได้ยิ่งทำให้เราไม่สบายใจถ้าเป็นหวัดนี่ยังรู้สึกเฉยๆใช่ เดี๋ยวก็หายถ้ารย้ว่ามันหายก็ยังพอที่จะรับมันได้แต่แ้าถ้าไปเจอโรคแบบมันไม่หายโรคมะเร็งอย่างนี้ตอนนั้นใจเราจะไม่สบายมากจะทุกมากจะไม่สบายมากกว่าร่างกายสเสอีกแต่เราสามารถแก้ได้ความไม่สบายใจนี้เราต้องมาหยุดความอยากของเรา หยุดความอยากให้ร่างกายของเรานีา้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหยุดความอยากให้ร่างกายมันหายถ้าเราอยากแล้วเราก็จะทำให้เราคุยตกกงงังวลขึ้นมาว่ามันจะหายหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่หายก็ยิ่งวิตกกงงังวลยิ่งทุกข์ใหญ่ แต่ถ้าเราทำใจเฉยๆกับมันได้เนี่ยมันจะหายก็หายมันจะไม่หายก็ไม่หายเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันอันนี้เป็นความไม่สบายใจที่เราสามารถที่จะกำจัดได้นังงับได้ด้วยการหยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของคนอื่นเช่นของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตายายอย่าไปอยากปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะอยู่ได้ถึงอายุเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเขาร่างกายของเราก็เหมือนกันมันจะอยู่ ได้ถึงอายุเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเรื่องของมันเราไปสั่งมันไม่ได้ว่าให้อยู่ถึงอายุแปดสิบถึงเก้าสิบถึงร้อยบางทีมันก็อยู่ได้บางทีมันก็อยู่ไม่ได้แต่จะอยู่ถึงเท่าไหร่มันก็ต้องมีวันตายแหละไม่เกินร้อยี่สิบคนในโลกนี้อายุที่ยาวที่สุดนี่ถึงร้อยยี่สิบ ร้อยี่สิบนี่ก็แบบว่าสุดๆแล้วอย่างพราพุทธเจ้านี่ท่านบอกว่าถ้าท่านจะยืดอายุท่านก็ยืดได้ไปถึงร2อยี่สิบได้แต่เหนื่อยเพราะว่าต้องต้องสู้กับโครคภัยไข้เจ็บต้องสู้กับความเสื่อมความชราของร่างกายเหนื่อย ถ้าไนไม่ไม่อยากจะเหนื่อยกับมันปล่อยให้มันอยู่ไปตามกําลังของมันถ้าหมดกําลังก็ให้มันหยุดแต่จิตนี้สามารถที่จะยืดมันไปได้ถ้ามันไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนถ้าให้มันอยู่ตามอายุไขเนี่ยมันก็ยังพอยืดมันได้แต่ต้องเหนื่อยต้องคอย ออกกำลังกายต้องคอยดูแลอะไรต่างๆเป็นพิเศษแล้วยิ่งแก่นี้มันยิ่งไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงไม่อยากจะทำอะไรทำแล้วมันเหนื่อยอยู่เฉยๆดีกว่า ใ, ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากอยากอยู่ก็ไม่มีอยากตายก็ไม่มีใจของพระพุทธเจ้านี่เฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้ เท่ากันเพราะพระพุทธเจ้ามีปัญญาเห็นว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายแล้วท่านไม่ได้อาศัยร่างกายมาเป็นเครื่องม้เครื่องมือหาความสุขพพุทธเจ้าสามารถหาความสุขจะโดยตรงจากใจได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายไปหามาให้ใจนี้ก็มีความสุขอยู่ในตัวของมันเองแต่พวกเราไม่รู้กัน เราเลยไปหาความสุขทางร่างกายกันจึงต้องอาศัยร่างกายกันจึงต้องมาทุกกับร่างกายกันเพราะเราอยากจะอาศัยมันไปนานๆไม่มีวันหมดไม่มีวันจบแต่ร่างกายมันบอกว่ามันต้องมีวันจบพอใกล้วันจบเราก็เลยวุ่นวายกันทุกกันแต่ถ้าเรา มาหาความสุขทางใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราพบความสุขทางใจเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายอยู่นานหรืออยู่ไม่นานเราก็จะเฉยๆกับร่างกายได้ร่างกายจะอยู่นานก็ได้ร่างกายจะอยู่ไม่นานก็ได้ แต่ใจไม่เดือดร้อนแล้วเพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายใจมีความสุขในตัวเองได้ถ้ารู้จักวิธีสร้างความสุขขึ้นมาวิธีสร้างความสุขภายในใจก็คือทําใจให้สงบนี่เองการนั่งสมาธิการเจริญสตินี่แหละเป็นการสร้างความสุขให้กับใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย พอเราไม่มีพอเรามีความสุขจากการใช้สติใช้สมาธิแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็มีความสุขเหมือนเดิมมีความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายเสียได้ซ้ำไปความสุขที่ได้จากความสงบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวง เหนือก็ความสุขจากการได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งได้อะไรต่างๆได้รูปเสียงกลิ่นรสได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ความสงบความสุขที่ได้จากสมาธินี่นะความสงบแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ จึงก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ยังมีความสุขได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธเจ้าจากพระพุทธศาสนาคือความรู้อันนี้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมาทุกข์กับความความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ถ้าเราเลือกใช้ร่างกายเป็นเครื่องม้เครื่องมือหาความสุขอคนที่เลือกใช้ร่างกายหาความสุขเป็นคนแบบไหนก็คือคนที่ถือศีลแปดเนี่ยถือศีลแปดหรือคนที่บวชเป็นพระบวชเป็นเนนบวชเป็นชีนี่เขาไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอไม่หาความสุขจาก าการร่วมหลับนอนกับแฟนเขาไม่ต้องหาความสุขจากการดูการฟังมหรศรบันเทิงต่างๆไม่ต้องหาความสุขจากการดิมการรับประทานคือจะดื่มรับประทานก็เฉพาะให้นั่งกายอยู่ได้เท่านั้นเหมือนกับการกินยาแต่ไม่ได้กินแบบต้องจัดงานเลี้ยงกินกันฉลองกัน กินมื้อเดียวก็พอหล้วกินสองมื้อก็ได้แต่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากเที่ยงวันก็พอแล้วไม่ต้องกินแล้วถ้ากินเพื่อร่างกายกินแค่มื้อสองมื้อก็พอจะได้มีเวลามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันจากการเจริญสติกัน ถ้าเราไม่ถึงศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขทางร่างทางใจกันเพราะเราจะมัวแต่ไปหาความสุขทางร่างกายกันเดี๋ยวก็รอกินข้าวเย็นกันแล้วใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้กินข้าวกันรึเปล่าเราไม่กินสบายกว่าไหมเรานั่งสมาธิอิ่มกว่าสุขกว่าไปนั่งกินข้าวเย็น เราไม่ได้กินข้าวเย็นมาสี่สิบกว่าปีแล้วเห็นเดือดร้อนเน่ยเราไม่ได้กินมื้อเดียวเดือดร้อนไหยจะตายให้ได้ไหมอ้าวเนี่ยเห็นความทุกข์รอ ย, ยังเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการใช้นั่งกายเป็นเครื่องมือหาความสุขรึ ย, ยังเรไม่ได้กินมื้อเย็นนี้มื้อเดียวเนี่ยนอนไม่หลับแล้วเนี่ยหิวตั้งคืนเลยนะ <laughs> เราเนี่หลับสบายหัวถึงม้อยเมื่อไหร่ก็หลับมานั้นเนี่ยไม่ได้หิวไปกับมันเลยมันหิวที่ใจรู้เปบไม่ได้หิวที่ร่างกายร่างกายมันพอแล้วเนี่ยอดอีกสิบเอกร้อยวันก็ไม่ตายเนี่ยมีสเบียงสะสมมาเยอะเนี่ยดูพคตรเจ้าอดต้องสี่สิบเก้าวันถึงจะพร้อมก็พร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอเราเนี่สี่สิบเก้าวันยังสบายเลย ดีซะอีกโลกไขมันอุดตันโลกเบาหวานโล ก, กอะไรต่างหายหมดเลยไปตรวจน้ำตาลดูนี่ดูขึ้นไม่ถึงร้อยนี่เราเราฆ่าตัวพวกเราเองด้วยการกินรู้เปที่้วยการกินมากเกินไปโรคภายไข้เจ็บที่มันเกิดจากการรับประทานมากเกินไปเนี่ย เยอะแยะไปหมดความดันไขมันอุดตันโรคอํามาพฤกษ์อาัมาพาตเพราะสมอง เ, อเลือดในสมองมันอุดตันสมองทํางานไม่ได้เพราะไขมันสูงกินมากนโรคหัวใจวายโรคความดันสูงมาจากเรื่องของการกินนะกินมากเกินไป นะคือความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันตอนนี้ยังไม่สายเนี่ยเรายังมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันได้าหาความสุขจากการใช้การนั่งสมาธิการควบคุมความคิดด้วยสติไม่ให้ใจคิดเพราะคิดแล้วมันก็จะไม่สงบนั่นเองถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบ แล้วก็จะมีความสุขร่างกายก็เป็นยังไงก็ไม่เดือดร้อนร่างกายไม่ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่เดือดร้อนอดสองสามวันก็อดได้ไม่ไม่เหลือร้อนถ้าทำใจให้อิ่มแล้วมันไม่หิวความหิวของร่างกายนี้นิดเดียวความหิวที่มากนี้อยู่ที่ใจกินข้าวอิ่มๆยังหิวได้เลยใช่ไหม พ่อคิดถึงก็โหนมคิดถึงอะไรขึ้นมาหิวอีกแล้วหอวงตาท่านเคยเล่าให้ฟังมาตอนที่ท่านบวชไปใหม่ท่านยังไม่เคยชินกับเรื่องฉันมือเดียวเพราะท่านบอกว่าท่านล้างบาสเสร็จเช็ดบาทเสร็จหิวขึ้นมาอีกแล้วใจมันคิดถึงอาหารเก็อยากกินนะท่านก็เลยใช้วิธีแก้วถ้ามึงหิวแบบนี้ต้องไม่กินสามวันท่านดัดนิสัยใจ อันก็เลยไม่ฉันสามวันเออไม่สันสามวันข่าวต่อไปมันไม่กล้าหิวแล้วใจมันไม่กล้าหิวแล้วนี่แหละร่างกายมันไม่มันไม่รู้เรื่องว่ามันหิวหรือไม่หิวอร่างกายมันก็เพียงแต่ทําตามหน้าที่เหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ถ้าเราไม่ลดน้ําให้มันมันก็ไม่ได้บ่นไม่ได้บอกอะไรว่าต้องการน้ําต้องการอะไรมันก็เฉาไปตาม ตามเหตุตามปัจจัยมันถ้าไม่มีน้ําใบไม้มันก็เหลืองไปเฉาไปแต่พอเราลดน้ําขึ้นมามันก็มันก็เขียวกลับขึ้นมาใหม่ร่างกายมันไม่มีความทุกข์ในตัวมันไม่มีความหิวในตัวมันดัะให้มันกินแล้วไม่กินนี่มันไม่รู้สึกอะไรตัวที่รู้สึกก็คือใจหิวเพราะความอยากกิน แล้วพระุธเจ้าก็ส่งคนพบว่าวิธีแก้ความหิวเวลาเกิดจากความอยากกินอย่างลุงตาก็บังคับไม่ให้มันกินสามมือ้อไม่ให้กินสามวันต่อไปมันก็ไม่กล้าหิวแต่ก็มีวิธีอื่นเวลาหิวอยากจะกินอาหารให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากเราบ้างเนี่ยอาหารที่อยู่ในท้องเรา เ, เวลามันอัดเจียนออกมาเนี่ยน่า ก, กินไหม เวลาก่อนกินเข้าไปน่ากินนะเวลามันพึ่งทับทำออกมาจากครัวใหม่ๆนี่ใส่มาในจานนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลไหมพอก็ไปในปากแล้วคายออกมายังอยากจะกินหยวอ่ะใอ้นึกถึงภาพอาหารที่อยู่ในปากในท้องในลำไส้บ้างเวลาหิวแล้วมันรับรองได้จะหายหิวเลยแต่ถ้าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานอยู่ในครัวนี่มันหิว อยู่ในกระทะอยู่ในหม้อ เ, เห็นแล้วมันน้ำลายไหลแต่ถ้าคิดถึงเวลามันอยู่ในอยู่ในปากอยู่ในกระเพาะเราเวลาคายออกมานี่มันไม่น่าดูไม่น่ากินนะหรือเวลากินก็จะไม่ให้มันกินมากก็เอาอาหารที่จะกินเนี่เอามารวมกันทีเดียวเลยอาหารคาวหวานอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในท้องใช่ไหมอ่ก็ให้มันรวม <laughs> ให้มันรวมในจานก่อนเนี่ในชามก่อนเอามาใส่ไว้ในกลางหมางเลยใส่ข้าวเข้าไปใส่แกงเข้าไปใส่ของหวานเข้าไปใส่กาแฟเข้าไปใส่อะไรเข้าไปแล้วก็คนแล้วก็ตักกินไปกินอย่างนี้ก็อาจจะกินไม่ลงกินไม่ได้กี่คาก็อิ่มแล้ววิธีลดน้ําหนักนะล้วน้ําหนักเกินก็ลองกินแบบนี้ดูไม่ไม่กี่มือ่อ แต่ไม่แน่นะบางทีพอมันชินแล้วมันกลับอร่อยขึ้นมาได้นะถ้ามันอร่อยก็ต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เนี่ย <c oughs> ความหิวมันอยู่ที่ใจมไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย้าใจไม่หิวมันเห็นมพระพุทธเจ้าอดได้ตั้งสี่สิบเก้าวันเพราะท่านทำใจให้สงบได้ ทำใจให้ไม่หิวได้แต่ความหิวมันก็ยังไม่หมดมันไม่ได้หมดที่การอา่าทําใจให้ไม่ให้คิดถึงอาหารวิธีที่จะทําให้ไม่หิวก็ต้องทําต้องคิดถึงเวลาที่มันอยู่ในท้องเวลาที่มันถ่ายออกมาถ้าเห็นอาหารในจานนี้เหมือนอาหารที่ถ่ายออกมานี่มันจะกินไม่ลงแล้วต่อไปมันก็จะไม่หิวอาหาร แต่ก็ต้องระวังนะมีบางคนทำจนติดเป็นนิสยัยถึงเวลากินกินไม่ได้เลยเวลาเห็นอาหารที่ไลคิดว่าเป็นอาหารที่อยู่ในโถส้วมทุกทีอันนี้ถ้ามันทาถึงกินไม่ได้เลยก็ต้องเปลี่ยนต้องไปอย่าไปคิดถึงมันให้คิดว่ามันเป็นเหมือนกับน้ำมันรถเติมน้ำมันรถให้ร่างกาย มันถึงจะกินได้หรือเป็นยาให้ร่างกาย <c oughs> กินกินเป็นกินยายานี้ไม่อร่อยแต่เรากินได้ใช่ไหมพอเราฝืนมันกินกินมันเข้าไปเวลากินยานี่เราก็ใส่เข้าไปในปากก็รีบกินเลยไม่ได้กินด้วยความเมตตาอร่อยด้วยความอยากกินอเราต้องหยุดใช้ร่างกายกันทดลองอย่างน้อยอาทิตย์ละวันก็นยังดีเรามาเริ่มกันอาทิตย์ละวัน วันพระเนี่ยพระเจ้าบอกเป็นวันที่เรามาเปลี่ยนเปลี่ยนนิศสัยกันจากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้มาใช้สติใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขกันใช้สติสมาธิใช้ปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญานี้เราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกาย วันพระท่านหนึ่งบอกให้ถือศีลแปดกันวันธรรมดาก็ถือศีลห้ากันให้ถือศีลแปดวันพระเพื่อจะได้มีจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่ถือเลยมันก็จะถือแค่ศีลห้าไปเรื่อยๆกิเลสมันไม่ยอมมาทางนี้หรอกมันชอบไปทางกิเลสมันชอบหาความสุขทางร่างกายแต่เวลาทุกข์ใครทุกข์เราทุกข์กิเลสมันไ ม, ไม่ทุกข์กับเรา เวลาที่ร hmm. ่างกายเป็นอะไรแล้วเราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เวลานั้นเราก็อยากจะฆ่าร่างกายเพราะมีแต่ความทรมานทําอะไรไม่ได้อยู่กับมันก็ไม่สามารถหาความสุขจากมันได้ก็เลยเกิดความอยากจะฆ่ามันเสียเองฆามันความทุกข์ก็ไม่หายอีกเพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ความอยากที่จะใช้ร่างกายถ้าจะฆ่าต้องฆ่าความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขสิ่งที่จะฆ่าก็คือการถือศีลแปดเนี่ยและการนั่งสมาธิการใช้ปัญญาเนี่ยอันนี้แหละจะทำให้เราฆ่าความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้พอถือศีลแปดแล้วก็ ไปใช้ร่างกายไปเที่ยวไม่ได้แล้วไปกินหลังจากเที่ยงวันไม่ได้แล้วหรือถ้าถือกินมื้อเดียวก็กินไม่ได้เลยหรือบางครั้งนี่อดทั้งวันเลยก็มีเพราะมันอาหารมันมีในร่างกายมากเกินไปเวลาจะนั่งสมาธิมันชอบหลับเลยวิธีที่แก้ความง่วงก็คืออย่าไปกินมันเลยให้มันหิวพอมันหิวแล้วมันจะไม่ค่อยง่วง พออดอาหารแล้วมันจะไม่ง่วงมันจะนั่งแล้วอยู่กับพุทธโธพุทธโธได้แล้วพอจิตสงบแล้วมันสบายมีความสุขมีความอิ่มแลการภาวนาการทําใจสงบนี้บางทีถึงกับต้องใช้การอดอาหารกันเพื่อจะได้ไม่ให้มันง่วงหรือถ้า อดอาหารไม่ได้บางทีก็ต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวที่เปลี่ยวเวลาไปอยู่ที่หน้ากลัวนี่มันไม่ค่อยง่วงนอนเช่นไปนั่งอยู่แถวป่าช้าดูเลยมันจะไม่ง่วงมันจะเห็นอะไรเต็ไมไปหมดนะมันจะตื่นนะนี่คือวิธีการปฏิบัติที่จะทาใจให้สงบมันบางทีต้องมีอุบายหลายๆวิธีด้วยกัน ถ้าอยู่ที่อยู่แบบสบายสบายนี้มันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ถึงอยู่บ้านไม่ค่อยได้เพรอยู่บ้านนี่มันมีของล่อใจเยอะของมายุความอยากกันเยอะไหนทีวีไหนตู้เย็นไหนจะคนคนนั่นคนนี้เดี๋ยวเ้ากินกันเดี๋ยวเขามาชวนเรากินอย่างเงี้พอใครมาชวนป้ามันก็หมดกําลังเลยที่จะสู้แล้ว นั้นคนที่จะหาความสงบคนที่จะทําใจให้สงบจริงต้องไปอยู่ที่สงบอยู่ที่คนเดียวอยู่ที่ไม่มีอะไรได้ไ ม, ม่สังเกตที่ศาลานี้มีอะไรไหมตัวเย็นไม่มีโทรทัศน์ไม่มีอะไรไม่มีบนเขานี้ไม่มีของกินของที่เป็นอาหารมีแต่น้ําปานะน้ําผลไม้อะไรทํานองนี้พอพอกินเพื่อรักษาเยียวยาร่างกาย ไม่ให้มันสุดมากเกินไปอยู่ที่อย่างนี้มันถึงจะทำใจให้สงบได้ง่ายถ้าไปอยู่ที่มีเสียงมีเสียงทีวีมีเสียงละครมีกลิ่นอาหารโชยมามีคนร้องรำทำเพลงมันทำให้ใจเราสั่นไปหมดเพราะความหิวความอยาก แต่พามาอยู่อย่างนี้ไม่มีเสียงอะไรมาเขย่าใจเสียงนกเสียงอะไรมันไม่มาทําให้ใจเราสัน่นรูปกรรูปต้นไม้ใบหญ้ามันก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวอะไรดังนั้นนอกจากถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปอยู่ที่เงียบๆอยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้จเจริญสติได้สร้างสติขึ้นมา คือคยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงอาหารไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นโรสต่างๆไม่ให้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พอคิดแล้วเป็นความอยากเกิดขึ้นตามมาเราต้องใช้พุโทโธหยุดความคิดต่างๆบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปและเวลานั่งนั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ พอสงบแล้วก็หายหิวหายอยากชั่วคราวความหิวความอยากต่างๆมันหยุดเพราะความคิดมันหยุดพอไม่มีความคิดความอยากก็ออกมาไม่ได้ความอยากมันออกมาตามความคิดหรือตามความที่มันไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆพอเห็นตู้เย็นนี่ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นทอเห็นโทรทัศน์ก็อยากจะเปิดมือถือ น, นี่ก็เหมือนทีวีเครื่องหนึ่งอะไรเนี้ย มือถือก็ต้องปิดไม่อยากไปอยู่ใกล้มันอย่างนี้มือถือก็เป็นทีวีเคลื่อนที่ดีๆนี่เองสามารถดูอะไรได้ฟังอะไรได้อต่ต้องเลิกใช้รูปเสียงกลิ่นลดเลิกใช้ตาหูจมูกริ้งกายแล้วมาพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวเดินก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธเดี๋ยวสังวันนึงมันต้องสงบได้ สอบแล้วมันจะสบายเรารู้แล้วว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายก็ได้ร่างกายจะแก่ก็ยังพุโทโธได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนในโรงพยาบาลก็ยังพุโทโธได้ยังสง บ, บได้ร่างกายตายใจก็ยังสง บ, บได้เพราะใจไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วร่างกายหมดความหมายไปเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เขามีเครื่อง เครื่องใช้ไม่สอยในบ้านถ้าจะไม่ต้องใช้คนใช้แล้วใช่ไ้ยมีเครื่องซักผ้ามีผ้าผ้าซักแล้วก็ไม่ต้องรีดซักแล้วก็ใส่ได้เลยมีเครื่องมืออะไรเยอะแยะไปหมดมีเครื่องดูดฝุ่นมีอะไรต่อไปก็อาจจะมีหุ่นมาทำความสะอาดให้เรามาทำกับข้าวให้เราทำอะไรให้เราทุกอย่างก็ไม่ต้องใช้คนะต่อไปแต่ก็ยังต้องใช้ของพวกนี้อยู่ ออของพวกนี้เป็นอะไรก็เดือดร้อนขึ้นมาเองเหมือนกันต้องไม่ใช้อะไรเลยใช้เราตัวเราเนี้ยอย่างพระเนี่ยพระตาจ้าให้พระอยู่แบบไม่ให้ใช้อะไรจะให้ใช้ตัวเองกวาดถูสาลากวาดถูกุฏิเองซักจีวรเองทําอะไรเองหมดทุกอย่างจะได้ไม่ต้องพึ่งใครแล้วถ้าร่างกายพึ่งไม่ได้ก็ช่างมันก็ไม่ต้องกวาด มไม่มีแรงจะกวาดก็ไม่ต้องกวาดนะไม่มีแรงกินก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปแต่ใจไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้พึ่งร่างกายใจพึ่งสติสมาธิปัญญาสามตัวนี้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิได้สมาธิก็คือความนิ่งสงบของใจเกิดจากการหยุดความคิดต่างๆด้วยสติ โดยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพอพุโทโธได้ใจก็นิ่งสงบก็มีความสุขไม่ต้องกินข้าวเย็นไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องนอนกับแฟนแล้วถ้าออกจากความสงบมาก็ต้องหยุดความอยากเวลาอยากจะไปทําอะไรก็ใช้ปัญญามาหยุดสอน ร้อนใจว่าการทําตามความอยากเป็นการไปหาความทุกเพราะว่าทําแล้วหาแล้วต้องหาอยู่เรื่อยมันเป็นความสุขชั่วคราวไปกินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับไปกินใหม่เดี๋ยวกิกนแป๊บเดี๋ยวก็หิวแล้วเดี๋ยวก็อยากอยู่แล้วกินอาหารแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินขนมต่อหลังจากขนมก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นมันก็จะอยากไปเรื่อย มันก็ต้องมาใช้ร่างกายเหมือนเดิมดงนั้นให้เลิกใช้ร่างกายให้สอนสอนปัญญาสอนใจว่าอย่าไปใช้ร่างกายถ้าอยากจะหาความสุขก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่หรือทําใจเฉยๆอย่าไปอยากถ้าหยุดความอยากฝืนความอยากได้มันก็จะสบายในเวลาความอยากโผล่ขึ้นมาก็ต้องหยุดันทันทีอย่าลือยาก บางทีก็มีเครื่องมือให้หยุดเช่นอยากอาหารก็ให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องแล้วนึกถึงแฟนก็ให้นึกถึงศพของแฟนแทนอย่าไปนึกถึงแฟนให้นึกถึงศพของแฟนถ้าแฟนตายวันนี้ยังอยากจะเก็บไว้ในบ้านอยาจะนอนกับแฟนต่อบอ่นะตลองถามตัวเองดูรักกันขนาดไหนพอตายแล้วไม่เอาเก็บไว้ล้วฮะ ยกใหสับปเปล่เลยให้ฟีฟีด้วยจ้าไปต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยจ้างก็ามาเอาแต่ว่าการมีลมหายใจนี่ใครมาแตะไม่ได้นะฆ่ากันตายเนะี่ยใครมาแตะแตพอไม่มีลมหายใจเนทะ่านั้นยกให้คนอื่นเลยยกให้สับปเปล่เลยจ้างให้ก็มาขนไปเลยให้คิดถึงซากศพของแฟนนะคิดถึงแฟนเวลาตาย เวลาคิดถึงแฟนเวลาเหงาให้คิดถึงศพของแฟนมันจะได้หายเหงาอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่กับศพอันนี่คือวิธีพระเจ้าสอนเนี่ยให้สอนให้คิดถึงอสุภะให้คิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายร่างกายมันสวยตอนที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยพอไม่มีลมหายใจมันไม่สวยแล้วมันจะเน่าเฟะขึ้นมาถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่กี่วันพองขึ้นมา ไปดูศพคนตายที่เขาไม่ได้เก็บซ่อนไว้ดูเลยสมัยก่อนเขาเอาศพไปทิ้งป่าช้ากันแล้วปล่อยให้มันเน่าให้มันเไปตามธรรมชาติสมัยก่อนพระจะไปเยี่ยมป่าช้ากันเพื่อจะได้ไปได้เห็นภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายเพราะพระนี้ต้องถือศีลกันอยู่เดี๋ยวเกิดคิดถึงแฟนจะได้ให้ใ ห, ให้คิดถึงศพของแฟนกันพอคิดถึงศพของแฟนแล้วมันก็ไม่อยากจะกลับไปหาแฟนะ นี่คือปัญญาปัญญาที่เราจะใช้แก้ความอยากต่างๆอยากได้อะไรมาปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปไปดูปั๊บมันก็หมดไปแ ล, แล้วก็ต้องไปดูอยู่เรื่อยๆไม่เห็นนี่ว่ามันไม่เที่ยงมันแป๊บเดียวมันเป็นความสุขเดียวๆเหมือนยาเสพติด่ยเสพแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอไม่มีเสพก็ทุกขึ้นมา พอเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มันก็จะหยุดความอยากไปเองแล้วต่อไปมันจะไม่มีความอยากอยู่ในใจต่อไปเลยอยู่เฉยๆได้อย่างสบายไม่ต้องใช้ร่างกายก็จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ของร่างกายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายใจไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วพึ่งธรรมมีธรรมังสระนังกระฉามิแล้ว พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาพึ่งทำมังสรนังกระามิกันด้วยการอาศัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นครูอาจารย์สอนเป็นเป็นตัวอย่างให้ดูการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าดูการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์สาวกท่านไม่พึ่งร่างกายท่านพึ่งศีลสมาธิปัญญาพึ่งศีลพึ่งศีลแปดศีล น, นักบวชศีลสองยิบเจ ท่านพึ่งสมาธิด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธท่านพึ่งปัญญาด้วยการเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราทุกอย่างน่าเกลียดน่ากลัวร่างกายของคนเรานี่น่าเกลียดน่ากลัวที่เรากลัวผีแล้วผีไม่มาจากไหนถามจริงๆผีไม่ก็มาจากร่างกายของเราไม่ใช่นะพนะอเห็นโครงกระดูกนี่ก็กลัวกันนะถ้ากลางคืนมืดๆถ้าเห็นโครงกระดูกแขวนอยู่ตรงไหนเป็นยังไงกลัวไหย แล้วทำไมที่มันอยู่ในตัวเราไม่กลัวเพราะเรามองไม่เห็นมันเนี่ยอย่าพยายามดูโครงกระดูกของเรามางเลเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่มองกันถ้าเรามองแล้วเราก็จะได้ไม่หลงกันไม่อยากกันอันนี้เป็นวิธีที่เราจะอยู่กันอย่างนุ่มเย็นเป็นสุข จะไม่ต้องเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาไม่สบายไปหาหมอหมอบอกเป็นอะไรก็เออเป็นก็เป็นไม่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นคนรับใช้เราเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งที่เราเลี้ยงมันไว้อย่างนั้นเราไม่ได้ใช้หมาทําอะไรหรอกเลี้ยงมันไปสนุกสนุกอย่างนั้นเองถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปใช่ไหมเราเลี้ยงหมานี่เราทุกข์กับมันยนะไม่ค่อยทุกข์กับมันมันเป็นอะไรก็เลือกของมัน เราก็มีหน้าที่ให้ข้าวมันกินให้น้ํามันกินไปให้ที่อยู่อาศัยมันไปไม่สบายก็พาไปหาหมอไปรักษารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ตายไปถ้าเลี้ยงเ ร, ยเราเลี้ยงร่างกายเหมือนเลี้ยงหมาได้สบายใจนะอย่าไปเลี้ยงร่างกายเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเนะี่ยเราเลี้ยงร่างกายเรายิ่งกว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เชื่อไหมเรารักกัร่างกายเรามากกว่าเรารักกับร่างกายของพ่อของแม่ มันถึงทำให้เราทุกข์กันเพราะความรักความหวงร่างกายอย่าไปรักอย่าไปหวงมันมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายที่รักที่หวงเพราะยังต้องใช้มันเเรายังถือร่างกายเป็นสระนังกระฉามนี้อยู่เราต้องเปลี่ยนจากร่างกายเป็นสระนังกระชามีมาเป็นธรรมังเป็นสระนังกระฉามิีกันธรรมังก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยธรรมังสรนังกระาม รักษาศีลแปดกันเริ่มต้นที่วันพระแล้วต่อไปก็ขยายพอรักษาได้วันหนึ่งแล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันได้เพิ่มเป็นสามวันได้มีอะไรเป็นอุปสรรคก็ตัดมันไปการงานเป็นอุปสรรคก็ลดการทํางานให้มันน้อยลงถ้าเรารักษาศีลได้เราจะใช้เงินน้อยลงจะไม่ต้องไปเที่ยวอเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ม า, มาที่เนี่ไปเที่ยวแต่ละครั้งนี่ยหมดไปกี่พันนะค่าน้ํามันเอ่ยค่าโรงแรมเอ่ยค่าอาหารเอ่ย เราก็ต้องเอาเอาเอาเวลาไปหาเงินมาเที่ยวกันมันจึงไม่มีเวลามารักษาศีลแปลกันเพราะต้องทํางานแต่กาทํางานก็ไม่สะดวกที่จะรักษาสินแปลกันแล้วก็ลดการทํางานลงสิลดรายจ่ายลงลดเที่ยวลงถ้าถือสินแปลกันนั้นก็ไม่ต้องเที่ยวแล้วใช่หไหมก็ประหยัดเงินไปได้พอประหยัดเงินได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องหาเงิน ก็ยินจะมีเวลามากให้เรามาหาความสงบมาปฏิบัติได้มันรักษาสียงแตกได้แล้วต่อไปเราก็สามารถที่จะไม่ต้องพึ่งร่างกายได้เราจะนั่งสมาธิได้ตลอดเวลาทําใจให้สงบได้ตลอดเวลาเวลามีความอยากก็ใช้ปัญญาตัดมันได้ตลอดเวลาไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะอย่าไปเอานะได้มาแล้วเดี๋ยวต้องร้องหง่มร้องไห้นะเพราะของมันไม่เที่ยง อย่ามันต้องจากเราไปหรือไม่สวยนะไม่น่าดูนะไม่น่ารับประทานนะอ น, นี้คือปัญญาทั้งนั้นนะพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ใช้ทำรรเป็นเครื่องมือหาความสุขเริ่มต้นที่การรักษาศีลแปดแล้วก็ไปอยู่ที่เงียบๆอยู่คนเดียว พยายามบริกรรมพุโทโธเจริญสติขึ้นมาให้มากๆแล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบแล้วจิตสงบแล้วเวลาออกจากความสงบเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาว่าอย่าไปทำว่ามันทุกข์มันไม่น่ามันไม่เป็นสุขมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมัน พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิร่างกายเป็นอะไรก็เฉยเฉยจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยเฉยเพราะไม่เดือดร้อนแล้วก็รู้ว่าห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บไขได้ป่วยห้ามมันไม่ได้มันจะตายนห้ามมันไม่ได้มันจะแก่ห้ามมันไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมัน วพาเราจะมีความสุขในใจตลอดเวลางขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติกันแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขไปตลอดเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมีกันตอนนี้ท่านก็ยังมีความสุขท่านไม่ต้องมีร่างกายถ้ามีร่างกายท่านก็ต้องทุกข์เหมือนพวกเราแตาไม่มีท่านไม่ใช่ร่างกายแล้ว ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะนุโมทนาให้พรยะทาวาเลวาหาปุราปรัลิกปุเรนติสาขลงเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกา ป, ะปะติอิธิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสาพเพปุเรนตุสังกปะปา ยันโทปันาระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิตโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวัตะวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัฒนศีฤทธานิจังวุตตาปจายโนจะตารุธรรมวัฏานติ อายุวันโอสุขังภาลางมาอยู่กี่วันทุกการนี่ยสามวันค่ะสามวันเนะปิดร้านเลยนะนนมีคนอื่นเข้าให้เลย ไม่กลัวเขาขโมยไปนะมีน้องไม่น้องเลยมีน้องมีพี่เลยใครเป็นลูกน้องที่บา้านอืม <c oughs> ก็ดีนะถ้าไม่กลัวก็ดีถ้าม่ถ้ากลัวก็กลุ้ไม่ได้ก็ต้องไม่กลัวถ้าพาสิงจะได้ทำใจนะทำใจไปนะของไม่เย่ของเรานะตอนนี้มันจะไปกัเนเรื่องของมันนะของนอกกาย หาใหม่ก็ได้ทั้งหมดแต่เปาก็ไ ม, าไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญไม่ได้มาฟังธรรมก็จะทุกข์กับสมบัติที่มีอยู่เป็นปู่โสมเปาสมบัติไป <c oughs> อย่างน้อยตอนนี้เราก็ยังได้ใช้สมบัติของเราให้ให้มาทําบุญให้มีความสุขให้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วต่อไปก็เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมได้ สงสัยอะไรไมั้ยมีอะไรสงสัยไห ม, ไ ม, ไ ม, สสไหมคุณแม่มาครั้งแรกเหรอมาหลายครั้งมาหลายครัง้งครับจากที่โน้นมาถึงที่นี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะสามชั่วโมงจากราดบุรีมาพัทยานี่แหละ อ่าทำไมเร็วอะบิงทางด่วนถ้ารไถารไม่ติดก็ประมาณนั้นถ้าติดติดหน่อยก็สี่ห้าชัมนะอ่าเรามาทางไหนอะซึ่งทางดวงาาง่วนคือมออร์เวิรน่ะมาจากประบุรีก็ขับเข้ากรุงเทพ ม, มาแล้วก็ใช่อะไรเพชรเกษมเหรอหรือว่าก็ถนนอะไรมาแลถนนธรมบริปากท่อเน่ะใช่เพช้เกษมอ่ะเพชรเกษมก่อนเรามาเข้ากรุงเทพก็ เรามาเึ้นทางด่วนก็ไม่ต้องเข้าไปในเมืองเลยนะเข้าไปนิดเดียวเชิญเังไงท่านวัชรินสบายดีครับตอนนั้นที่อาจารย์ถามจะเป็นไข้ครัอเป็นไข้หวัดสายพันเอติดไปไข้กัดไปได้การที่ยาลาหายแล้วใช่ไหมครับหายแล้วหมออาจารย์ถามหาว่าสบายดีป่วยอยู่ ก็ธรรมดาเป็นรู้ก็พอเป็นรู้กระจายรู้คนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นธรรมดาเอาของวางไว้ตรงนี้ก็ได้ อยากได้หนังสือซีดีก็หยิบเอานะตาบุรีนี่อยู่ติดกับเพชรบุรีรการยนะ บ, บุรีสม บ, บทรณ์ซากกรสมบูรณ์สบบงฆ์ ม, มีติดแค่สองนักนนกรปฐม สามจังหวัดจากละบุรีก็ไปเพชรบุรีถึงจะไปถึงถึงปาจจุบ่ะหัวห็นในชะ่ไหมชามชามนี่อยู่อยู่อำเภออยู่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมใช่ครับหัวหินอยู่ปัจจุบันอยู่ติดกันนะชามกับหัวห็นนะติดกันทางนู้นเราไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เคไปแค่สองสามครั้งสมัยเป็นเด็กๆ เ, เลยหนังสือเพื่อนๆจัดไปหัวเห็นนั่งรถไฟไปกัน ไปไปนอนไปไปพักอยู่คืนสองคืนอยู่ชายทะเลบ้านทางชายทะเลแถวชามหเห้ยโอ้ยจำไม่ได้จำได้แต่ต้นตาลเยอะนะพอไปถึงแถวนครปฐมไปนี่รู้สึกต้นตาลเยอะอย่ <c oughs> นี้ก็ยังมีอยู่นะแถวเพชรบุรี <c oughs> ยังมีเคยไปเที่ยวถ้ำแถวเพชรบุรีมืีนะ ไปบุรีมันมีถ้ำให้เที่ยวใช่ไหมเรือรากบุรลาบุรีก็มีถม้ำอ่าอาจารย์คะจะเรียนถามเวลาปฏิบัตินะคะอพอจิตมันรวมแล้วสงบปุ๊บ ม, มันเหมือนแบบพอรู้ว่าสงบก็จะดีใจพอใจเสร็จมันก็หายสงบก็ไม่ดีไรใหม่ๆก็อย่างนี้เท่านั้นนะนะต่อไปก็อย่าไปดีใจนะทําใจให้สักแต่ว่ารู้ไป ใช้สติคุมไวอ่าต่อไปเรามีสติมีกําลังเรามีมีประสบะการณ์เราก็จะรู้เองว่าถ้าจะให้มันสงบต่อเราก็ต้องใช้สติประครับประคองใจไปอ่คุมไวแล้วนั่งต่อไปก็อย่าเพิ่งลูกเสียมันก็เข้าไปได้แล้วเรากลับเข้าไปใหม่ก็ได้ <S <S เคยเข้าไปยังไงแล้วก็ทําอย่างนั้นใหม่ใหม่ๆมันก็อย่างนี้ใหม่ใมันก็มีกําลังน้อยสติพอได้เข้าไปถึงนั่นมันก็หมดกําลัง มันก็ดีดออกมาใหม่เราก็กลับเข้าไปใหม่แล้วก็พุโทโธใหม่ดูลมใหม่ทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆแล้วต่ อ, ตอไปมันจะชำนานเอนไปเวลามันเด่งมันสงบแล้วก็จะรู้เฉยๆไม่ไปตื่นเต้นตกใจดีใจแต่ไม่ต้องแบบคิดจะคิดจะนาไม่ไม่ก็มีความสุขแล้วไปพิจารณาทำไม ให้พิจารณาเพื่อหยุดความเวลามันไม่สุขเนี่ยเวลามันอยากก็ให้ใช้ปัญญามันหยุดมันอยากคิดถึงแฟนก็ให้คิดถึงพิจารณาซากศพของแฟนอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะหายอยากแต่ตอนมันสงบมันมีความสุขแล้วไปคิดอะไรทํำไมรักษามันสิพอได้ได้เจอของดีแล้วก็รักษามันไว้อย่าไปคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็ทําให้มันไม่สงบงันตอนนี้มันสงบพยายามรักษาให้มันสงบ แล้วมันก็ขึ้นอยู่กําำลังของสติของเราบางทีเดี๋ยวสติเราอ่อนกำลังปั๊บมันก็จะคิดขึ้นมาถ้ามันคิดเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่พุโทโธใหม่มันถึงจะกลับเข้าไปได้ถ้าเราออกจากสมาธิมาเราทุกข์กับเรื่องอะไรอยากกับเรื่องอะไรก็ต้องใช้ปัญญามาสอนอย่าไปอยากอยากเล้ทุกข์เพราะว่ามันมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากรก อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้เดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันเจ็บก็รักษาไปมองว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันตายเราไม่ได้ตายไปกับมันมันเจ็บเราไม่ได้เจ็บไปกับมันมันเป็นเหมือนคนรับใช้เราเป็นเหมือนหมาที่เราเลี้ยงก็เลี้ยงก็ดูแลมันไปเหมือนกับหมาตัวหนึ่งอย่าไปดูแลมันเหมือนพ่อเหมือนแม่เรา มันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปแต่เรามีความสงบเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเป็นเครื่องมือหาความสุขเราอยากจะเรามีความสุขอยากจะมีความสุขแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแต่ใจเรามันไม่อยชอบพุโทโธกันนะคือปัญหาถ้ารู้จักใช้พุโทโธรู้จักสร้างความสุขก็ต่อไปมันไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นพอใจไม่สบายก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวก็หายแ แต่ตอนนี้เรายังไม่ชนานาญกําลังไม่พอพุโทโธ น, น, นานจะได้สักครั้งหนึ่งพอได้แล้วก็ลืมละเดี๋ยวก็ไปอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้อีกต้องพยายามทําบ่อยๆทํายึดมากๆทําให้มันชํานาญแล้วต่อไปมันจะไม่อยากทําอะไรมันอยากจะพุโทโธอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธเลยต่อไปถ้ามันมีสติแล้วก็ไม่ต้องใช้พุโทโธใช้สติหยุดความคิด ใช้ปัญญาหยุดความอยากมันก็อยู่ได้นะต้องทําไปเรื่อยๆงานนี้ไม่ใช่งานแบบอ่าทําปุ๊บได้ปับ๊บได้แล้วก็ต้องรักษาพอพ อ, พอไม่ทําเดี๋ยวมันก็หายไปเป็นงานเหมือนกับงานอาชีพที่แท้จริงของพวกเราคืองานรักษาใจ ง, งานสร้างความสงบให้กับใจแต่เรากลับไม่ทํากันเรากลับไปทํางานอย่างอื่นเนี่ย เาจึงไม่ค่อยมีความสงบกันคนที่จะมีความสงบได้ตลอดเวลาก็เป็นพวกนักบวชเนี่ยพวกพระทั้งหลายเนี่ยเนี่ยพระนี่ไม่มีหน้าที่อะไรนอกจากรักษาใจให้สงบร่างกายก็พอเลี้ยงมันแบบม้าตัวหนึ่งเช้ากับเอาบาตเข้าไปหมู่บ้านได้อาหารอะไรม า, าให้มันกินกินเสร็จแล้วก็จบ่ดูแลรักษาใจด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลา ใจยังมีความสุขมีความสงบไม่ต้องมีอะไรใครคนที่มีอะไรมากๆแสดงว่าใจไม่มีความสงบเลยไม่มีความสุขเลยในต้องหาความสุขจากของเข้าของต่างๆยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากเพราะต้องดูแลเนี่ยมีรถคันหนึ่งกัมีรถสิบคันนี่ยังไงจะสบายกว่ากันบางคนมีรถห้าสิบคันนะเศรษฐีบางคน สร้างโกดังมาเก็บรถแล้วก็ต้องจ้างคนมาคอยขับเองตัวเองนานๆจะมาขับจะขับทีหนึง่งแต่เห็นรถอยากได้พอเห็นรถร้อขายก็อยากจะซื้อมาพอซื้อมาก็ขับได้ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วเนี่ยความอยากมันจะหลอกให้เราซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็เล่นกับมันเดี๋ยวเดียวแล้วก็เบื่อแล้วก็หาของใหม่เล่นต่อ เข้าของมันจึงร่นบ้างใช่ไ้ยแล้วความทุกข์หายไปหรป่าความไม่สบายใจหายไปไม่หายต้องเอาความสงบนี่แหละมันจะกาจัดทำลายความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ไม่มีวิธีอื่นยิ่งซื้อมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีของมากก็ยิ่งทุกข์มากไม่มีของเลยเนี่ยถึงไม่ทุกข์ พระพุทธเจ้าไม่ให้มีพระพุทธเจ้าไม่ให้พระมีอะไรนอกจากสมบัติที่จําเป็นจริงๆให้มีบาดใบหนึ่งให้มีผ้าสามผืนให้มีไม้มีโกนไว้สําหรับโกนศีรษะมีเข็มก็ได้ไว้สําหรับซ่อมจีวรที่อยู่อาศัยก็ที่ไหนอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ตามโคนมาอยู่ในอ่ในเงื่อนผาในเดือนล่างไปอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีใครไปอยู่กันสบาย ไม่ต้องเสียค่าน้าค่าไฟอยู่กับธรรมชาติไฟก็มีฟีลนะไฟแสงสว่างดวงอาทิตย์เนี่ยเราไปใช้แล้วมันมากมายมืดเราก็หลับตานั่งสมาธิไปไม่ต้องทำอะไรตอนคืนไม่ต้องทาอะไรก็นั่งสมาธิสบา ย, ย่าตายแบ็ชีวิตของคนที่มีความสงบไม่ต้องมีอะไร มีแล้วก็วุ่นวายต้องคอยหามาเติมอยู่เ so รื them, the ่อยๆเพราะมันต้องหมดมีอะไรเดี๋ยวมันก็หมดเด้รถไปเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนใหม่มีอะไรก็ต้องคอยเปลี่ยนมันมาอยู่เรื่อยๆมีร่างกายก็ต้องเปลี่ยนร่างกายเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายมามากกว่าเปลี่ยนรถยนต์ใช่ไหมเรามีร่างกายมากกว่าเรามีรถยนต์ใช่ไหม ร่างกายของเรานี้่ยทูตเจ้าบอกว่านับไม่ถ้วนแต่อยากจะรู้ว่าจํานวนร่างกายมากขนาดไหนลองคิดว่าน้ําตาที่เราร้องไหแ้แต่ละชาตินี่มันร้องสักกี่ครั้งกันได้สักถึงขันหนึ่งไหมลองสะสมน้ําตาที่เราได้มาแต่ละชาติเนี้มารวมกันเนี่ยท่านบอกมากกว่าน้ําในมาหาสมุทรอีกคิดดูก็ต้องมีร่างกายต้องมาเกิดกี่ครั้งถึงจะร้องไห้ มีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหะคือจํานวนร่างกายที่เราเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆตายมาไม่รู้กี่ละกี่แสนล้านครั้งนะเรายังจะต้องตายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ถ้นเราใช้ร่างกายแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาร้องห่มล้องไห้กับเรื่องของร่างกายเรื่องกของเรื่องของร่างกายของเราเรื่องของร่างกายของคนอืน่นเห่มไหมเนี่ยนาหลวงเสียเนี่ย คนไทยร้องไห้กันเกลี่ยเท่าไรเท่าน้ําตามารวมกันเนี่อาจจะได้หลายหลายลิตรเนี่ยร้องกันทั่วประเทศเลยนน้ําตาที่ร้องให้ในหลวงนี่มารวมกันดูงั้นอย่าใช้ร่างกายเลิกใช้ร่างกายกันมาใช้ทำดีกว่าใช้ศีลใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสี่ตัวนี้ นะแล้วจะสบายไปตลอดทางว่างวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วตอนนี้สาม้อยสองแล้วตอนต้นเท่าไหร่ตอนที่สูงสุดหน้กว่อยสามสิบกว่า youtube อ่ะตอนนี้ส <42. S 2> ี่ส <c oughs> ิบสองส <c oughs> <20. S 2> ี่สิบสองนีมีมีทเวนนี่รึเป่ะมีเชอรันรึเป่าไม่มีไม่มสองคนขาว่าจำไม่มาท <c oughs> อวนนี้อยู่拉斯เวกัส ดีเขาก็ติดตามแล้วก็ส่งข้อความเข้ามามีใครอยากจะถามไหมในเฟซบุ๊กเลยใน YouTube มี่คำถามจากคุณค่ะคำถามจากคุณสุรัตโยงปฏิบัติทำมาประมาณสามปีเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละหนึ่งชั่วโมงจิตไม่สงบค่ะแต่ก็กำหนดตามรู้ตลอด ช่วงที่ใช้ชีวิตประจําวันก็พยายามมีสติกับสิ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันถามคระอาจารย์ว่าผิดปกติไหมคะที่เดิน <c oughs> นัางจิตไม่สงบค่ะทํา <c oughs> ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าถ้ามันยังคิดอยู่ก็แสดาว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ต้องไม่ให้มันคิดถ้าตามรู้แล้วมันคิดก็ให้ใช้พุโทโธหยุดมันเล่วเราดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วมันยังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่ก็ใช้พุโทโธดึงกลับเข้ามา บริกรรมพุทโธพุทโธไปอก็ดีกว่าถ้ามันยังคิดยายก็ลองเอาพุทโธสู้กับมันไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องคิดอะไรอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดคิดได้คําถามจากคุณสายสมรจิตพิจารณาถึงคุณของพารัตน์ใจแล้วเกิดปิติน้ําตาไหลห้าไม่อยู่บ่อยครั้ง นี่เป็นปัญญาใช่ไหมครับยิ่งปฏิบัติยิ่งเป็นบ่อยมากแล้วก็บูชาคุณพระราตนาตายมากนี่เรียกว่าถูกทางใช่ไหมครก็ถูกอ่ะมันต้องรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงทําให้เรามีศรัทธาที่เราจะปฏิบัติที่จะศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปยังเป็นจุดเริ่มต้นเป็นปัญญาขั้นเริ่มต้น เหมือนกับพ่อแม่ที่รู้ว่ า, าส่งลูกไปเรียนหนังสือแล้วดีดีกว่าไม่ส่งมันไปเรียนก็พยายามหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือแล้วเรารู้ว่าการเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามนี้เป็นการที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญเราก็จะพยายามปฏิบัติกันพยายามศึกษากันคาถามจากคุณกุ้ง ขอสอบถามการปฏิบัติอาการเมื่อคืนเข้าสมาธิได้ประมาณสี่สิบนาทีรู้สึกเหมือนมีคลื่นอยู่ตรงกลางหน้าผากคลื่นไป้าแรงขึ้นแต่ใจเย็นเบาท้อพุทโธพุทโธมันหมายถึงอะไรเจ้าคะอาการแบบนี้มันไม่มีความหมายอะไรหรอกมันก็เป็นของมันไปเราก็อย่าไปสนใจมันเรานั่งนี่เพื่อให้เราเข้าหาความสงบ ระหว่างทางมันก็อาจจะไปเจออะไรได้ก็อย่าไปนสนใจ <c oughs> ให้เราพุโทโธพุโทโธของเราไปจนกว่ามันทุกอย่างมันจะหายไปก็ถึงจะได้ถึงจุดหมายปลายทางพอจิตสงบนิ่งแล้วมันจะว่างมันจะเย็นจะสบายจะมีความสุขมากถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็พุโทโธพุโทโธต่อไปคาถามจากคุณมิชาข้อที่หนึ่ง ทำไมเวลานั่งสมาธิตอนตื่นนอนใหม่ๆสติจะสงบยากกว่าตอนใกล้นอนคะก็แล้วแต่บางคนบางคนนอนแล้วตื่นขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่ามันแล้วแต่ไ ม, ไม่ไม่แน่นอนอก็ให้รู้ว่ามันสงบหรือไม่สงบก็ต้องพยายามไม่มีสติถ้ามันไม่สงบข้อที่สองผู้ที่อยู่ในนิพพานแล้วนั้นสามารถบังคับจิตให้มีสติตลอดเวลา หรือมีสติตลอดเวลาไหมคะคือมันมันสติมันจะเป็นแบบอัตโนมัติไปแล้วมันมันจะไม่มีวันเผลอมันจะรู้สึกตัวตลอดเวลามันจะคอยคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ต้องคุมเพราะความคิดส่วนใหญ่มันที่ไม่ดีก็ถูกทําลายไปหมดเหลือแต่ความคิดที่ดีแต่ก็ก็ต้องคุมมันบางทีก็ต้องพักผ่อนหลับนอนนี่ เวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็ต้องหยุดความคิดเมิเดียวมันจะนอนไม่หลับคงถามจากคุณสุวัฒนาคุณแม่ป่วยและท่านชอบโทรมาบ่นกับเราว่าอยากจะตายเหมือนท่านพลิกกับการกลัวตายจนเราจิตตกไปด้วยเพราะอยู่ไกลจากคุณแม่ควรวางใจอย่างไรดีคะออยู่ใกล้อยู่ไกลก็กไปห้ามความตายของคุณแม่ไม่ได้ทำคุณแม่ไม่ให้บน่นไม่ได้ ก็วางใจว่าทั้งวันหนึ่งท่านก็ต้องตายเป็นธรรมดาให้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ใช่ท่านเท่านั้นที่จะตายเราก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนที่เกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้อยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันก็ไม่ใช่เราให้คิดด้วยว่าร่างกายไม่ใช่เราร่างกายมันเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญ เราไม่ได้เป็นร่างกายเวลาคนเขาให้ของขวัญมานี่เราเป็นของขวัญหรือเปล่าใช่ของเขาให้รถเรามานี่เรากลายเป็นรถไปด้วยหรือเปล่าเราก็เป็นคนขับรถใช่ไหมร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถคันหนึ่งที่พ่อแม่ให้เรามาเราเป็นคนขับร่างกายเราก็ขับมันไปสิอย่าไปหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายให้รู้ว่าร่างกายนี้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตาย แต่เราเป็นคนขับเราไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายต้องให้คิดว่ามันไม่เที่ยงคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันอยู่ต้องถามจากคุณปัทมาโยมอยากทราบว่าเวลาไปกินบุฟเฟ่เสร็จแล้วและเราไปหยิบของกินของเขาออกมาอีกนิดหน่อยเผื่อหิวมากินข้างนอกจะบาปไหมคะคงไม่บาปมั้งเพียงแต่มันจะโลภท่านน่ะ <c oughs> แต่เราเพราะเรียกผีปอบ กินแล้วยังเผื่อเผื่อข้างใน้าอก็เรียกว่าโลภพูดง่ายๆเขาให้กินแค่ให้อิ่มก็พอเขาบอกว่าไม่ให้คนกลับบ้านอ่แต่เจ้าภาพบางคนเขาก็ใจดีเขาบอกพี่เอากลับไม่ได้นะบางทีเอาถุงบุสติกมาให้ด้วยแต่ถ้าโดยมารยาทด้วยความสวยงามก็อย่าไปโลภเราไม่ได้ไปเพื่อกินเราไปเพื่อไปแสดงความยินดีกับงานของเขา ไห้กำลังใจเขาอะไรทนะั้งนั้นเขาเลี้ยงเราเราก็กินพอหอมปากหอมคอเราเราอยากจะกินเดี๋ยวเราไปซื้อของเรากินดีกว่าอย่าไปทําความโลภให้คนหนึ่งเขาดูถูกดูแยแยเราเลยต้องมีศักดิ์ศรีบ้าง น, นนะใช่เราทุกคนก็โลภเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยก็ให้มันควบคุมความโลภไว้บ้างไม่ใช่ปล่อยให้มันออกมาแสดงอาการไม่น่าดูทาให้เรากลายเป็นคนไม่น่าดูไป คำถามจากคุณสุพินดาคำว่าจิตรวมมันรู้สึกเป็นยังไงหรอคะก็เวลาพูดโทพูดโทไปเดี๋ยวก็รู้เองลองพูดโทดูมันเหมือนตกหนุม่มตกบอแล้วก็สงบนิ่งเย็นสบายทุกอย่างหายไปหมดว่างเบามหาัศจรรย์ใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกยกร่างกายออกจากใจไปร่างกายนี้เหมือนภูเขาลูกที่เราแบกกันอยู่ตลอดเวลา พอจิตสงบนี่เหมือนเหมือนทิ้งร่างกายไว้ชั่วขา่าวใจก็เลยเบาเหมือนคนที่เคยแบกของหนักๆเนี่ยพอเอาของหนักๆลงออกจากบาตแล้วรู้สึกสบายไหมไปดูพวกคนที่เขาแบกเก้าสารเนี่ยพอสอบละร้อยกิโลเนี่ ย, เ, ยเวลาแบกแล้่พวกกับเวลาไม่แบกอะไรมันจะสบายกว่าเวลาจิตสงบมันก็เหมือนกับอา่าทิ้งเก้าสารที่แบกไว้ทิ้งร่างกายไปเบาเลยสบาย หลังจากคุณพิไลถ้าเราไม่ได้ไปทําบุญเองแต่ยกกับข้าวขึ้นมาอธิษฐานแล้วฝากเขาไปทําบุญเราจะได้บุญไหมคะถ้าเป็นเจ้าข้าเป็นของเราเนะถ้าเป็นของคนอื่นก็ไม่ได้บุญคนอื่นก็ทําเสร็จแล้วก็มายกให้ให้เราให้เราจบนี้ก็ไม่ได้บุญการจะทําบุญนี้ต้องเป็นของของเราเราถึงจะได้บุญเราต้องเสียสละของที่เป็นของเราถ้าเป็นของคนอื่นเช่นแม่ทําเสร็จแล้วแบบลูกช่วยไปใส่บาตรให้แม่หน่อย ลูกยังไม่ได้บุญเนาได้ก็น้อยได้ตรงที่ช่วยแม่ไปใส่บาตรได้่วนนั้นแต่อาหารนี่ยังเป็นของแม่อยู่แต่แม่ก็ต้องสอนลูกให้ทำนี้ไปก่อนเป็นการเรียนรู้่อไปเวลาลูกโตลูกจะได้ทำบุญเป็นเวลาลูกมีเงินมีทองแล้วอยากจะทำบุญลูกก็ต้องเอาเงินทองไปซื้อข้าวของมาแล้วตอนนั้นลูกถึงจะได้บุญจริงๆเพราะเป็นเงินทองของลูกแต่ถ้าเป็นเงินทองของพ่อแม่ ถึงแม้พ่อแม่ให้มาบอกให้ไปใสบ่บาไปทําบุญก็ยังเป็นของพ่อแม่อยู่แต่พ่อแม่ทําเพื่อให้สอนให้ลูกรู้จักการทําบุญว่าทําอย่างไรเพื่ อ, ต, อต่อไปเวลาโตขึ้นเวลาลูกมีเงินของตัวเองแล้วอยากจะทําบุญก็จะทําได้เพราะเวลาทําเวลาเราเสียสละอะไรไปเราจะรู้สึกสบายมีความสุขแต่ถ้าเป็นไม่ได้เป็นของเราก็ฝากให้เราไปทำนี่เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรได้มากก็ตรงที่ว่าเราได้ช่วยเขา ได้รับใช้เขาเราได้บุญส่วนนั้นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันแต่มันไม่เปนมันไม่เหมือนกับบุญที่เราเสียสละเข้าของเงินทองของเราไปเป็นบุญคนละชนิดกันค่ะครัแล้วถ้าสมมติว่าแบบตายไปแล้วแล้วอ่าเงินยกให้คนอื่นทําบุญแล้วได้บุญครือเ่าเราต้องทําเองตายไปแล้วเราไม่รู้เข้าไปทําหรือเปล่าก็คือ<ม>ต้อง ต้องต้องทำตอนที่เรามีอยู่เรารู้เราต้องใจของเราต้องปล่อยเงินนั้นเพราะตอนที่เราตายเราไม่ได้ปล่อยถ้าปล่อยถ้าปล่อยเงินนั้นแบบว่าทำพิธีกรรมไว้ก่อนตายว่ายกก็เหมือนกันนะยังไม่ได้ปล่อยนั่นแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเพราะอย่างเดียวเปลี่ยนใจก็ได้เปลี่ยนพินธีกรรมใหม่ก็ได้ใช่ไหมงั้นถ้าอยากจะทำก็ต้องทำตอนที่เรามีชีวิตอยู่ไปเลยเก็บไว้เท่าที่จำเป็นส่วนไหนที่ส่วนเกินที่เรามั่นใจว่าเราไม่ต้ อ, องใช้มันก็เอาไปทำบุญไป ให้ใครก็ได้ให้พอ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องใครก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นกับพระอย่างเดียวก็เก็บส่วนไว้แล้วก็เสือกปล่อยให้หมดให้มันไปเลยดล้ว่งนั้นจะได้บุญจริงๆริงหรือการบริจาคอวัยวะก็เหมือนกันเขีนพี่นายการสั่งว่าจะมอบอวัยวะให้คนนั้นโรงพยาบาลนั้นเราก็ยังไม่ได้ให้ ตาไปแล้วเขอาไปใครเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเราไม่เราเราไม่มีความรู้สึกอะไรกับการสูญเสียส่วนนั้นไปเพราะตอนที่เราตายแล้วกับเสียดายใตอนที่เราจะตายเนี้ยอืพอเราไม่ได้ให้เวลาตายแล้วไม่นหัวงอยาตายไปไม่ยอมตายกันเนี้ย <c oughs> งั้นถ้าอยากจะให้เราให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เช่นแม่ตายเสียเอาแบ่งตายของเราไปให้แม่สักอันหนึ่งไอเนี้ยได้ทันทีหรือตาเสียเอาแบ่งตาไปให้แม่สักอันหนึ่ง หรือบอริจากเลือดเนี่ยเวลาต้องทําการผ่าตัดต้องใช้เลือดเนี่ยเราก็บริจาคเลือดไปอย่างนี้เรามีความรู้สึกเสียเสียของที่เรารักไปใช่ไหมอ่าพอเราเสียของที่ลักไปด้วยความยินดีแล้วก็มีความสุขใจใช่ไหมพอเห็นประโยชน์ที่ผู้ที่เขาได้รับจากเราเราก็จะมีความสุขใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นบุญคือความสุขใจงั้นถ้าอยากจะให้อะไรต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ ถ้ามันจะเป็นบุญมันจะพาให้เราไปสบายเวลาตายเราจะไม่ค่อยเสียดายร่างกายเพราะเราสามารถเบิกจากอวัยวะได้รับรองได้เวลาตายนี้มันจะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ไม่ยอมไม่ยอมเสียอะไรเลยตายไม่ยอมเสียมันทำมันมันยึดติดไงมันหวงเวลามันต้องจับกันมันต้องถูกแย่งฉุดฉุกชาติออกจากกันมันทรมานไม่เห็นไม่เวลาคนที่เขาแย่งกันแต่เวลาที่เขาไม่แย่งกันก็ยอมนไปอย่างสบาย อย่างพ่อแม่แย่งลูกเวลาหยากรึเนี่าถ้าแย่งกันโอ้โหทุกกันทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกแต่ถ้ายอมกันสักฝ่ายนี่งอ่ะเธออยากจะเอาไปก็เอาไปทุกอย่างก็สบายจบคนให้ก็สบายคนได้ก็สบายอ่ะว่าต่อมาคําถามจากคุณจาลุวันมีผู้ฝากถามว่าถ้าถือศีลแปด แต่มีความจําเป็นต้องทานยาหลังอาหารในมื้อเย็นจะทําอย่างไรดีคะก็ทานไปสิทานยาไปนไม่ต้องอถ้ายังถ้าต้องทานอาหารก็ถือว่าเราก็รักษามไม่ได้แปดข้อได้แค่เจ็ดข้อก็ยังดียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราง่วงนอนเวลานั่งสมาธิหรือเราจะไม่มีเวลาเพราะเรายังต้องมาคอยกังวลกับเรื่องกินอาหารเย็นอยู่ เรากินอาหารแค่เที่ยงวันหลังจากนั้นเราก็มีเวลาว่างไม่ต้องมากังวลเรื่องกินละเราก็จะนั่งสมาธิไปได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนั่งไปเดี๋ยวค่อยดูนาฬิกาถึงเวลากินแล้ว ย, ยังต้องกลับมากินต่ออคำถามจากน้ำเงินขาวละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วแต่ยังมีความโกรธโทสะโมโหอยู่บ้างจะกําหนดใจให้ละเลิกได้อย่างไรก็ยังลนะไม่ได้จริงเลย ถ <Rem> ้าละได้จริงแล้วมันจะไม่โกรธใครที่โกรธเพราะยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่พอไม่ได้ดังใจอยากยก็โกรธใช่ไหมอยากให้เขาทำอนุนี้นี้ให้เราพอก็ไม่ทำํำเราก็โกรธอยากจะได้ของนั้นของจากขเขาก็ไม่ให้เราเราก็โกรธอย่างาวนี้แสดงว่าละไม่จริงละแต่ปากแต่ใจไม่ละถ้าใจละจริงๆแล้วใจจะไม่โกรธ น้องชายเสียไปอย่างกระทำหันเป็นปีแล้วยังทาใจไม่ได้คิดมากและเป้าโทษตัวเองโทษหมอพยาบาลที่ไม่ดูแลให้ดีอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดเตือนสติครับว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเหมือนความฝั น, นมันผ่านไปแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไไม่ได้นะเมื่อคืนนี้เรานอนหลับเราตื่นขึ้นมานี้มันฝันเราไปเปลี่ยนมันได้ปะมันก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตั้งแต่เมื่อ ตั้งแต่บัดนี้ไปแล้ว น, นี่มันเป็นอดีตไปแล้วอดีตนี้เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราอย่าไปคิดให้มันเสียเวลาถ้าจะคิดก็คิดเพื่อสอนให้เรารู้ว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปอย่างไรแล้วเราควรจะแก้ไขยอย่างไรคิดแบบถ้าจะคิดถึงอดีตให้คิดแบบนั้นคิดว่าออเนี่ยเราไม่ควรทําแบบนี้นะเราไม่ควรไปโกหกคนนั้นคนนี้นะเราไม่ควรไปลักท ร, รัพย์ของเขาอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างเงี้ยเราจะได้มาแก้ไขได้ แต่ถ้าจะไปคิดว่าโอ้ย ไ, อไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควจะเป็นอย่างนี้คนจะเป็นอย่างนีน้คิดไปมันก็ไม่เปล่าประโยชน์เพราะมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ดังั้นหยุดคิดถ้ามันจะคิดถึงอดีตพยายามพุโทโธพุโทโธหนึ่งจิตให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันพอเราอยู่ปัจจุบันแล้วลืมอดีตมันก็ความไม่สบายใจก็จะหายไป ต, ต่อไปจะยูทูปนะครับจากคุณมดครับ นั่งสมาธิเกิดแสงสว่างแสบตามากแต่เกิดอาการกระวนกระวายแสงเลยหายไปถ้าเกิดขึ้นอีกควรทําอย่างไรดีครัก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับออารมณ์ที่เราใช้ทำกับใจจะใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปดูลมหายใจก็ดูไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้ค่อง ถ, ถามจากคุณเกษรินการเข้าระวังตอนทําสมาธิคืออะไรคะ ก็กามสงบเยเวลานั่งสมาธิพอจิตสงบก็เรียกว่าเข้าพวังพวังสมาธิคำ ถ, ถามจากคุณชลาวุฒิธรรมคืออะไรครับธรรมเลยธรรมก็มีหลายอย่างนะตามที่เรารู้กันก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอะไรต่างๆมันก็เรียกว่าธรรมก็ได้คํานี่มันมีความหมายหลายอย่างด้วยกัน ธรรมจะแปลว่าความจริงก็ได้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมมันเป็นความจริงหรือว่าธรรมเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพึ่งอาศัยทําให้จิตใจของเราได้มีความสุขได้มีความสงบแล้วสภาพของจิตใจของที่เราที่หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ละขั้นเราก็เรียกว่าธรรมบรรลุธรรมงั้นมัน ทุกอย่างมันเป็นธรรมหมดใช้ได้หมดปัญญาก็เป็นธรรมอย่างหนึง่งสมาธิก็เป็นธรรมอย่างหนึง่งศีลก็เป็นธรรมอย่าง